ขอความสุขความเจริญจะมีระท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิธ레이ศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรที่เรียกว่าทเบทาวิตัประสูตรคือเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัจสรูก็ได้ทรงแยกวิตกคือความสึบนึก ในพระไทยของพระองค์ออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นอกุศลก็ประกอบด้วยการมิตกพยาบาทวิตกวิญญาสาวิตกวิจด้วยความสึกนึกด้วยอํานาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ความสึกนึกด้วยความอาฆาตพยาบาทใ้คนในสัตว์ที่ตนอาฆาตพยาบาท แต่ความซึกนึกในทำนองบีบเบีย น, ยนต้องการเน้งความพิบัติเดือดร้อนสูญเสียแต่แตกทำลายล่มตายของคนของสัตว์เป็นลักษณะอารมณ์แบบสัญชาติยานดิบซึ่งก็ลึกๆ ก, ก็มีอยู่ภายในใจของมนุษย์แม้จะพัฒนาไปยังไงก็ตามแต่าหากว่า ยังไม่เคเข้าสู่กระแสะของอย่างน้อยก็ธรรมะโอกาสที่จิตจะสายไปสู่วิจตุกเหล่านั้นมันก็มีได้เสมอและในขณะเดียวกันก็ส่งแยกส่วนที่เป็นกุศลวิตกุกหรือความสึกนึกที่เรียกว่าเนคขมะวิจตกความสึกนึกที่จะถ่ายถอนกายจิตของตัวเอง ออกไปจากกิเลสกรรมและก็ตัววัตถุ ก, กรรมอัพยาปาลวิตกคือความตระหนักในการมองสัพชีชิตด้วยความเป็นมิตรอย่างน้อยที่สุดก็เริ่มต้นที่การไม่ฆ่ า, ายายาทซึ่งผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าระดับวิตกเนี่ยแล้วก็คือแนวเดียวกับมโนสุจริต หรือมโนโษุษทุจริตที่ทรงแสดงไว้ในกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบ ท, ทเพียงแต่ว่ า, าตรงนั้นทรงจำแนกที่กายวาจาใจในที่นี้ก็ทรงเน้นไปที่ใจแล้วก็อวิหิงสาวิตกคือความตึกนึกในธรรมนองไม่เบียดเบียนองค์ธรรมที่เราเห็นได้ชัดก็คือ ข้อแรกก็คือความเสียสละข้อที่สองก็คือความเมตตาข้อที่สามก็คือกรุณาทีนี้ถ้าจิตมนุษย์เราประกอบด้วยเมตตากรุณามันก็จบแล้วเพราะจิตที่เข้าถึงเมตตากรุณานั้นเป็นจิตที่ก็สงบกิเลสไปได้แยอะมาก เดี๋ยวแม้แต่จุดสูงสุดพระมหากุณาคุณของพระพุทธเจ้าที่เราเคยพบบ่อยๆว่าทรงอนุเคราะห์ต่อชาวโลกก็หมายความว่าพระไทยประกอบด้วยกรุณาเสมอไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพัฒนาการทางจิตที่สูงสุดที่มนุษย์สามารถจะพัฒนาไปได้ แล้วก็เมื่ออยู่ในจุดนี้ก็กลายเป็นเหนือเทพเหนือพรหมเหนือมนุษย์จะกลายเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและจากนั้นก็รับสั่งเล่าว่า เ, าเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียนเครื่องเผากิเลทสทรงตนไปแล้วอยู่อย่างนี้พอการมิโตเกิดขึ้นมันต้องมองเห็นโทษ อ, อย่างน้อยในขณะนั้นก็เบียดเบียนตัวเองละจใจมันถูกเผาลนด้วยกามิตก์ละเพราะก็จะมีการวิเคราะห์สภาพจิตก็ทํานองเดียวกับจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นก็ให้ดูจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลเช่นเดียวกันก็พอเกิดขึ้นก็ย่อมทราบชัดว่ากามิตกนี้เกิดขึ้น แกเราแล้วแต่ว่ามันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนบุคคลทั้งสองบ้างเพราะนัปัญญาซึ่งจะวินิจฉัยคุณโทษเนี่ยมันดับไปก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับกุศล คือจิตเนี่ยมันนึกอารมณ์ได้ในแต่ละขณะเนี่ยอย่างเดียวยเพียงแต่ว่าขณะมันเร็วแต่นั้นเองเมื่อจิตถูกครอบงำโดยการมีตกปัญญาเขาก็พลังก็อ่อนด้อยลงไปถึงแม้ก็จะมีก็ไม่มากพอที่จะไปลดความขมข้นของกามีตกคราะนี้เราสังเกตว่าพวกการมีตกนี้ถ้าก็แรงออกไปมากมันก็กลายเป็นการผิดศี ที่ในขณะที่เขาทำผิดศีลแรงแรงเช่นแนวชุดฆาตานาจานข่มขืนก็ทำชำเราจนถึงก็ฆ่าคนเนี่ยคนเหล่านี้พอการมิตุกันลดลงไปเนี่ยนันจะเกิดสติสัมยะจกลับมาแล้วก็สานึกความฉิดก็แสดงว่าปัญญาเขาเกิดขึ้นธหน้าที่แล้วทุกอย่างมันสายหมดละ เราจึงเพราะเหตุการณ์ว่ามีคนบางคนที่กระทาผิดไปแล้วก็นั่งรอตำรวจมาจาับ แ, แสดงว่าปัญญาก็มาเร็วนะฮะแต่กิเลสเขาก็เร็วกิเลสก็ชิงกำกับยิตซะก่อนแล้วก็ตเตลิดเข้าป่าไปเลยพอกุศลธรรมกลับมาก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าคนที่ไม่สำนึกว่าผิดแล้วก็ เป็นความผิดและลองสังเกตว่าในสังคมเราถ้าเราฟังการถูกเฉียงในแต่ละเรื่องเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาไม่เคยผิดเลยอ่ะก็ไม่เคยยอมรับผิดเลยแล้วเขาก็ถูกต้องอยู่เสมอมีมุมแง่มุมที่จะพูดที่จะอธิบายจนเป็นแฟชั่นที่แพร่หลายคือข้อนี้ผมอธิบายได้ แล้วก็สังคมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะก็อธิบายแล้วก็อยอมเชื่อเขาเป็นเรื่อง ท, ที่ที่จริงมันเป็นอาการหนึ่งๆในหมู่มนุษย์พอจิตมันอ่อนแอมันจะยอมจำนวนแล้วก็คล้อยตามไหวยตามเข้าไปบางครั้งบางครารมันเป็นความต้องการจะได้สถานะการยอมรับน้ำถสือจากสังคม ยังยกตัวอย่างในกรณีที่ท่านเล่าถึงประาชาชนุ่งพาชิตมันเป็นตัวอย่างที่สอนมนุษย์ว่าด้วยอำนาจของความกลัวบ้างความโลภ บ, บ้างต้องการจะเข้าไปเป็นพวกคุณอื่นบ้างเนี่ยมันจะทำให้ใจิตใจเราเอาคล้อยตามพจริงๆแล้วก็ลักษณะยอมจำนนที่ก็เล่าว่ามี มีคนสองคนมากับภูลพระราชาว่าเขาสามารถถอผ้าที่เป็นทิพได้แล้วจะถวายเป็นเครื่องท่งพระราชาแต่ก็มีค้อแม้ว่ า, าคนมีบุญเท่านั้นจะเห็นพระทิพเขาก็เริ่มถอพระราชาเองไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่มีอะไรมันมีแต่อากาศแต่พระราชาก็ต้องสดแสดงความเป็นผู้มีบุญคือ ชมไม่ขาดปากสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นพวกอมาแวดล้อมก็ต้องเห็นไปหมดแหละจนตึงกระแสนี่ออกไปสู่ประชาชนว่าพระชาชาจะทรงพระทิพเปรียบพระนครเพื่อประชชนชื่นชมในพระบารมีเรามีข้อแม้ว่าคนมีบุญเท่านั้นจะเห็นถ้าคนไม่มีบุญจะไม่เห็นพอพระชาชาก็กปลื้มพระองค์อนะเพราะว่าเป็นพระทิพ ถ้าเดินไปไปชาชนก็ต้องแสดงความชื่นชมแสดงความสวยงามก็บรรยายกันไปตามความคิดอ่ะเพราะมันไม่เห็นแต่ว่าเจอเด็กกำลังวิ่งเล่นอยู่เด็กแกไม่ประสีภาษาอะไรอ่ะเด ก, ก็ตะโกนบอกเพื่อนว่ามาดูปราชาไม่นุ่งผ้าพอเด็กตะโกนมาพร้อมกันก็ปรากฏว่าผู้ใหญ่ก็ไปกับเขา และประชาชนนั้นที่ยิงก็รู้แสนรู้ว่าแต่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงว่าไม่เป็นจริงกลัวว่าก็จะหาว่าไม่มีบุญลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นสภาพจิตที่ยอมจำนวนเพื่อตัวเองจะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการปรารถนาเพราะมุษยจริงถูกต้มได้ง่าย ฉะนั้นไอ้ปัญญาที่ก็เกิดเนี่ยที่จริงก็จะกํากับกํากับการมราคาก็ดีกํากับพยาบาทก็ดีกํากับตัวความเบียดเบียนก็ดีแต่พอดีปัญญาบันดับพรดับแล้วท่านก็รับสั่งบากอให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อปณิพานเพราะปัญญาบันดับจิตมันถูกปรุงด้วยกิเลสอ่ะเพราะกิเลสเนี่ยจริงมันอึดอัดนะมันสูญเสียอิสรภาพ ให้เราสังเกตว่าตัวอย่างง่ายๆนี่แต่ทุกวันนี้ที่จริงก็ดีขึ้นเยอะในวงการสงเราแต่ก่อนมาเป็นเนเป็นพระบวชใหม่ๆนี่พวเขาแสดงรังเกียจกัวรุ่นนิกายนี่แรงมากเื่องอ่ีงเราได้งงเลยเออเป็นเรื่องอะไรพระมาเล่นเรื่องไราสาระอย่างเงี้ย แต่เราก็ไปขัดคออะไรใครไม่ได้นะเพียงเดียวมองด้วยความสงสารเสียดายทุกวันเนี่ยก็ดีขึ้ น, นแต่ว่าไม่สงบเลยก็อธิบายให้พระเขาฟังมีโอกาสแล้วจะพูดด้ว่ยนะฮะเรื่องนี้จะพูดเรยบอกท่านลองนึกดูเถอะว่าถ้าเรามีนิกายเนี่ยนิกายเนี่ยคือกิเลสมันสร้างขึ้น มีโลภมีมานะมีทิฏฐิมีโทสะพอคนพระต่างนิ่กายก็เกิดโทสะะเกิดมุ่งมิตะเกิดปฏิฆะและอย่างน้อยที่สุดหนึ่งคือไม่ยินดียเกิดนิ่กายเดียวก็เกิดยินดีแต่ปัญหาว่าเราจะบวยการที่จะพูดถึงสมถกรมถ ร, กรมฐานนิพัสนกรรมฐานราะกายนี้เราอยัางเอาชนะไม่ได้เลย เลยพูดกิเลสที่ละเอียดได้ไงเพราะงั้นตัวการสำคัญมันจริงอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของเราก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอย่างน้อยตรงนี้เราสังเกตว่าทรงสแสดงไปเคลียบบทนี้ ม, มีผิานเป็นยอดจริงแต่ว่าก็ทรงเชให้เห็นว่าตัวสติ ตัวความไม่ประมาทตัวความเพียรต้องระลึกรู้สภาพของจิตในขณะนั้นว่าจิตเราเป็นอะไรตอนนี้ก็จิตมีการมิตกก็แสดงเป็นอกุศลพราะเกิดเนี่ยมันจะเบียดเบียนทั้งตนเองก่อนอื่นเลยแล้วจากนั้นจะเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็จะเบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายก็กลายเป็นปนัญหาเด็กกรรมบุกแรง ไม่หยุดเลยโลกไม่เคยหยุดเรื่องการถูกปรุงแต่งด้วยกามมิตกแต่ตามปกติแล้วคนทั่วไปจะไม่คิดถึงตรงนี้แคล้า่กับปัญหาต่างๆมันอยู่ที่คนแต่ จ, จริงปัญหาต่างๆมันอยู่ที่กิเลตเมื่อเมื่อเราสาวไปไม่ถึงกิเลตเราก็คิดว่าคนเป็นตัวปัญหาแล้วเราใช้วิธีฆ่าคน อย่างศาสนาบางศาสนาเนี่ยเขาถ้าโมยเนี่ยเขาตัดมือเลยถืข ôi, อขโมยมือเป็นชั่วแต่จรมือไม่ได้ชั่วมือมันเป็นอัปยากริยมือเป็นกลางกางตัวความชั่วอยู่ที่จิตซึ่งมีโลภมากแล้วก็มีโมหะมากแล้วกำกับควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ก็กล า, ายเป็นขโมยไปปล้นไปอะไรต่าง รู้คนไปประพฤติผิดในทางเพศเดี็กจะถูกรุมความป่าแต่ที่จริงคนเหล่านี้เป็นคนทีน่าสงสารแม้นหนูคนผีสิงอ่ะเท็นที่จะน่าเกลียดมันก็น่าสงสารกิเลสมันก็เหมือนกับผีสิงใจมนุษย์เาเราไปจะโกรธอะไรเขาอ่ะเขาไม่ได้เป็นของเขาแต่เขาถูกรุมด้วยกิเลสเขาพ่ายแพ้ต่อกิเลส ก็เป็นคนที่น่าสงสารเพราะฉะนถ้น ถ, ถ้าเราคิดได้ระดับนี้นะอย่างน้อยและสางทางสงคมการอยู่ร่วมกันด้วยความบินมิดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นได้เยอะและสั่งว่าพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นการเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างมันก็ถึงความดับสนไป หมายความว่าพอคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นปัญญานะเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนกคนอื่นเนี่ยแต่เราเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราคิดว่ากิเลสเนี่ยเป็นตัวสร้างสรรพัฒนาเรายอมจำนวนตากิเลสกิเลสก็วงการสั่งการชอ็ชอกๆไปด้านไปนี้ไปโน้นกัวุ่นไปหมดเลดังนั้นพอพอคิดอย่างนี้ บอกว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างบ้างก็ถึงความดับศูนย์เมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันไปเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นบ้างมันก็ดับเห็นนหะพิจารณายัางไงก็ได้คือคือพวกนี้มันมันจะมีอยู่สามประเด็นระดับที่ไม่มีศีลธรรม แล้วยมีอยู่สามประเด็นระดับที่มีศีลเนี่ยมีอยู่สามประเด็นเหมือนกันระดับที่มีธรรมะสูงขึ้นไปจากนั้นก็มีสามประเด็นเพราะถ้าเราดูสังเกตแต่พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกเนี่ยที่เลวร้ายมากที่สุดก็คือหนึ่งเบียดเบียนตัวเองสองเบียดเบียนบุคคลอื่นสมเบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายอันนี้แรงมากมาแล้วก็ต่อไปเนี่ยถึงงดเว้น การเบียดเบียนตนเองงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นงดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นอันนี้ก็คือศีลคือศีลเนี่ยเราเห็นโทษการเบียดเบียนตนเองเห็นโทษการเบียดเบียนบุคคลอื่นเป็นแนวคิดปัญญาระดับอัตตานังอุปมังกตวาคือทำตนเป็นอุปมาเท็เคียงแล้วต้องงดเว้น ตอนนี้แง่ความเป็นจริงเนี่ยงดเว้นศีนเนี่ยเราก็อธิษฐานงดเว้นเอาก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปวัดต้องไปอรารัธนาอะไรแต่ไร ห, หรือว่าเราอรารัธนาเองนะเคยไปที่อะไรอไขฟ้าไขฟ้าไข ผ, ผิดคอนนี้บนบรรยายนะแต่ว่าศีนเนี่ยเขาเขาไม่ขอเขากล่าวสมาทานศีนมาอย่างพันเตแล้วก็ว่างเขาเองจบ เราก็มีหนา้าที่บรรดาเออก็ดีนี่ก็จีคือมิตรีความสํานึกเพราะฉะนั้นพอเราคิดเนี่ยปัญญามันเกิดเห็น ไ, ไหมปัญญามันเกิดพอปัญญามันเกิดมันก็ดับตกลงมาภายในใจนี่อะไรมากกว่าล่ะถ้ากิเลสเขามีกําลังมากกว่าแต่เขาก็ครอบงำใจได้ทีนี้ถ้าปัญญาเขาเกิดได้เร็ว องธรรมอย่าลืมว่าที่ทรงแสดงมาชามข้อเนี่ยเ่านั้นเมื่อเป็นประโพธิสัตว์อย่างไม่ได้จัดสรู้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลส ร, ร้อนมีตนส่งไปมีความมุ่ง ม, มั่นส่งไปก้าวไปเพื่อจะสู่ความสาเร็จรับสั่งว่าเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียน ต, ตนและบุคคลอื่นทั้งสองบ้างมันก็ถึงความดับสูง เราลงว่าพิจารณาตัวเนี้ยสามสามช่วงพื้กิเลสเนี่ยถ้าแต่ไม่ออกมาข้างนอกไม่ออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็เบียดเบียนเฉพาะคนที่ถูกกิเลสตรงเองแต่ถ้าออกมาทางวาจาก็จะเริ่มเบียดเบียนคนอื่นละถ้าออกมาทางกายด้วยมันก็เละหมดเลยทางกลางเกิดเป็นอกุศลกบฏครบทั้งชุดอ่ะเัยสิบข้อเลย กุศลกบฏสิบเนี่ยมันเป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์พอจิตมันเดินเข้าสู่กระแสะของอกุศลกบฏครบทั้งจิตเนี่ยก็แสดงว่าพฤติกรรมมันก็ตกต่ําจากมาตรฐานของความเป็นมนุษย์กลายเป็นความหือโหวรุนแรงเมื่อก่อนดูข่าว เด็กอายุ25ปีได้นามว่านักฆ่าลุ่มแม่นม้ำโขงสองฝั่งโขงฮะนักฆ่าสองฝั่งโขงเอเด็กนี้มันอายุมันแค่25ปีเป่นเองแล้วก็ปรากฏว่าที่มีหลักฐานนี่ตำรูดได้หลักฐานตัวเนี้ยเขาฆ่ามาแล้ว17ราย ก็ทำให้นึกถึงเมื่อพศ 2,504 มาไปบรรยายรุม่มพวกเขาไม่เรียกว่านักโทษนะตอนนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรพวกอันรพานพวกอันรพานพวกมีอิทธิพตลตลอดถึงมีการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์ที่ลาดยาวนี่คนก็นหนึ่งอ่ะเด็กผอมบางอยู่ ผู้คุมเขาก็กระชิบบอกว่าเด็กคนเนี้ฆ่าคนมาสิบเจ็ดคนเลยมาก็ชวนก็ไปนั่งคุยกันที่สระที่ศาลาอยู่กลางสระนะก็คุยเราก็สักถามแล้วก็เอก็สรารภาพนะกสารภาพทั้งหมดเอันนี้เธอเกิดมาในโลกไม่กี่วันเนาะเธอฆ่าคนอื่นไปตั้งสิบเจดคนแล้ว ถ้าเธอไม่หยุดนี่นะบาป ก, กรรมจะมาหาศาลแล้วที่ฆ่าไปสิบเจ็ดคนคงไปเยอะนะคนต้องกลับใจตัวเองให้ได้รู้สึกเสียใจหรือเปล่าเวลเนี่ยแกบอกก็รู้สึกอแต่ยังไม่มากเพราะคนอย่างนี้มีจริงๆแต่ว่าเราดูอายุของเด็กขนาดนี้ก็แสดงว่าแกเริ่มเริ่มมาตอนสิบ6้าสิบกอ่ะ แล้วก็จิตใจก็ต้องผิดปกติเอามากแล้วก็ไปคข้หาสมาคมกับคนไม่ดีเลอก็ทะเลิดไปกันใหญ่ปัญญาไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจริงที่คนที่ถูกเบียดเบียนมากเนะี่ยคือเรานะไม่ใช่คนที่เราฆ่าหรอกแต่คนที่เราฆ่าเขาก็ตายเร็วขึ้นเนี่ยที่บอกแต่ว่าเราเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่านวงเนียวไปสู่นรก บรรณาธิบดีมันลงเหนียวไปสู่นรกคือสรุปว่ า, าทั้งอกุศลกบฏทั้งศีกนะฮะมันลงเหนียวไปสู่นรกไปยังอกุศลกบฏทั้งศีกก็คื อ, อทุติยติทางกายทางวาจาทางใจเพียงแต่ว่าวิธีสอนเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่สอนใครบางทีก็สอนรวดเดียวสิบข้อบางทีก็แยกบางทีก็แยกบันทีละข้อนะฮะบางทีก็แยกมา เฉพาะนยะใดนยะหนึ่งก็แล้วแต่รับสั่งว่ามันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อปณิพานดังนี้บ้างมันก็ถึงความรลับศูนย์ไปและจากนั้นก็ส่งยก มาดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรานั้นแลละเสียมันเท่าเสียซึ่งกามมิตกที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วแล้วทาให้มันหมดสิ้นไปคือกามมิตกเนี่ยมันเรื่องจากมนุษย์เรามันเกิดมาจากตัญหาตัญหาก็เกิดมาจากอกัลชาณนะ์นะเพราะเราจิตมันอยู่ระดับกามาวิาจาระภูมิมันก็หมกมุ่นมวนวายอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละ เพราะถ้าเราไปไปเดียวนึกหลุดนึกในแนวที่ไม่ได้มองพิจารณาอินโทษโอกาสที่จะถลํานึกตรงไปเนี่ยมันจะมีได้ง่ายแต่ถ้าปัญญาเข้ากํากับเนี่ยมันจะถ่ายถอนผ่อนคลายไปเรืเร่อยๆเพราะฉะั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็ทรงใช้กรรมละเสียบรรเทาเสียคือการละก็ละไปโดยลําดับแล้วจากหยาบกลางละเอียด มันละได้เลยมันก็ยากนะฮะก็ต้องละด้วยอนาคามีมากนะตรงนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและแนววกเนี่ยส่วนใหญ่จะสอนทรงสอนในในบรรเทาคือหมายความมาข่มใจไว้หักห้ามใจไว้ให้อยู่ข้างในอ่ะย้ายออกไปข้างนอกอย่างมากมันก็เป็นแค่นิวรณ์ถ้าอยู่ข้างในนะแต่ถ้าออกมาข้างนอกเนี่ย มันจะเป็นกายาทจทุติภิกชิทุติภิกิแล้วเป็นอาถรรกรรแล้วก็นำไปสู่การเบียดเบียนกระจายตัวเองไปถึงคนอื่นวิธีการก็คือพระองค์ก็พยายามละพยายามลดไปเรื่อยๆบรรเทาไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนะก็หมดสิ้นไปแล้วก็ทรงเน้นธรรมะเหมือนเดิมชุดเดิมนะ เออคือธรรมะชุดนี้อย่างที่บอกว่านั้นเป็นธรรมะหลักพุทเจ้าโอนสอนใครก็ก็สามข้อนี่เป็นตัวหลักแต่ในสามข้อนี่พี่จริงเขาก็เป็นทางสมาธิสมาธงกับปะสมาสติสมาวายามะแล้วก็นำไปสู่สมาสมาธิซึ่งก็หมายความว่า อถ้าไม่บิบเดียนตนเองไม่บีเดียนบงคนอื่นมันก็เป็นศีลแล้วในง่ายของควาเป็นอริยมรต ก, ก็เป็นอริยมรตกไปแล้วยังไม่สมบูรณ์นะเองแต่ว่าเป็นอริยมรตกไปแล้วก็รับสั่งว่าลูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเรื่องเผากิเลส ท, ทรงตนไปอยู่อย่างนี้ผู้ปยาบาทวิตกจมเกิดขึ้น แล้วก็ทรงพิจารณาพยาบาทวิตกกเหมือนเดิมนะฮะหือหมายความว่าแต่มีความรู้สึกว่าพยาบาทวิตกได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่พยาบาทวิตกนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นบ้างเพราะงั้นพยาบาทจิเลประเทโทสะความโกรธความผูกโกรธ แล้วก็จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมันถ้าอยู่นานเนี่ยเขาเรียกก่าเป็นอาคาศอากาชาตเอาจิตเข้าไปผูกไว้โดยไร้เหตุผลอย่างแรงทรงจำแนกแสดงไว้เป็นเก้าประเทศประเภทแรกก็คือไปชิดถึงเรื่องอดีตนะในอดีตกาเนี่ยคนเหล่านี้เคยเ mm hmm. บียดเบียนเรา หรือเคยเบียดเบียน ญ, ญาติพี่น้องของเราหรือทําประโยชน์ต่อศัตรูเราในปัจจุบันแต่คนนี้ก็มังเบียดเบียนเราก็บังเบียดเบียน ญ, ญาติพี่น้องของเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราเอาก็พยาบามบัตรเพื่ออีกอแล้วก็บางทีเนี่ยไปคาดหมายไปคาดหมายในอนาคต เมื่อต่อไปคนเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนเหล่านี้ยจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนเหล่านี้ยจะเป็นประโยชน์เื่อกลุร่ราอศัตรูเราโดยก็ผูกใจเจ็บผูกอาคติแผบาทเป็นการคิดเองเออเองตัดสินเองวันก่อนนี้ได้อ่านแต่ยังอ่านไม่จบอ่ะเนี่ยอ่านคําฟ้อง ทอนตสาลก็แปลกอะ่ะคือคนฟ้องเนี่ยมันมันตั้งประเด็นว่าในการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่คือถามให้สารนี้ฉายว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แต่ว่าในคําฟ้องนี่เธอตัดสินเองหมดเลยตัดสินหมดเออคนคนสมัยปัจจุบันใช้ภาษ า, าไทยเก่งมากเลยก็เธ อ, อไม่ใช่สารนะไปเธอตัดสินได้ไง ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องแปลกนั่นคืออะไรคือไปคิดว่าเขาอาจจะเป็นอันตรายต่อเราในโอกาสต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรืออาจจะเป็นประโยชน์กื่งกูร์ตสตูเรามันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความคิดเรื่องส่วนตัว แล้วก็พยายามที่จะเอาอะไรไปให้ได้ป้ายสีเขาเาเพื่อจะสร้างเป็นเงื่อนไขในการทําลายล้างฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบคือถ้าเราดูแนวมาป่าลูกแกะนี่เราเคยได้เห็นเลยว่ า, าม้าป่าทําตัวเป็นเป็นผู้กล่าวหาแล้วทําตัวเป็นนายการทำตัวเป็นสารครบสารสารเลยเพราะว่าในสุดแจ ก, ก็พิพากษ า, าจับลูกแกะกินกัน ไ, ได้ นั่นคือคือความคิดที่มันเกิดจากที่จริงมันเป็นโลภะนะเป็นโลภะแต่หาเรื่องจะจะไปจับเขากินแทเนเองทานพยาบาทวิตกมันก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้พอก็ถึงวิ่งสากกลี้ยงกันเมื่อวิงสาวิตกมันเกิดขึ้นเนี่ยความคิดในทานองเบียดเบียนความคิดในทํานองเบียดเบียนนี่เป็นเป็นจิตที่ไม่ปกติ คือหมายความ ม, มันมันรู้สึกมันมันรู้สึกเป็นสุขรู้สึกสะใจที่ได้พบได้เห็นความรุนแรงต่างๆพวกนี้จะพอใจชอบใ จ, จกับความรุนแรงแล้วก็ด่าเขาในเรื่องอะไรเนี่ยตัวก็ทําทําในเรื่องเหล่านั้ น, นยอย่างในวันก่อนที่เล่าถึงข่าวที่มีแท็กซี่มาซ้อมโจล ซึ่งไปซ้อมเพื่อนแท็กซี่ของเขาอ่ะตัวซ้อมเยอะเหมือนกันแต่เราอย่าลืมว่าจริงๆเนี่ยโจนมันผิดแล้วคือทั้งกล่นแล้วทั้งประทุษร้ายร่างกายเขาก็ผิดก็ให้เข้าสู่กระบวนการนิติธรรมให้ชันสินรแต่เราคิดว่าเขาผิดอ้าอย่างนั้นก็ผิดแต่เราก็ไปต่อยเขาไปซ้อมเขาและไปด่าเขาก็ตัวรงเหมือนกันยิงแต่เราไม่ได้ปล้นทรัพย์เขาเท่านั้นเอง นั่นคือคือคือความชิดด้วยอำนาจของความอัางคาตพยาบาทแต่นสติปัญญามันจะจะจางคลายไปจนสูญเสียพลังในการกำกับควบคุมจิตริศสาวิตกมัอนก็ อ, อกนแนะนำท่านมองเบยดเบียนคือยากเห็นนะคือ ย, ยังนึกถึงเหตุการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสที่ไปซ้อมครูกันแต่การดีตามข่าวเนี่ยปรากฏว่า ก็ไม่น่าเชื่อนะ่ะคนทั้งสามสามสิบไม่นอกก็สามสิบคนนะครับมารุงตีเด็กกูผู้หญิงสองคน น, นั่นแล้วก็ประกว่ที่แรงนะ่ะคือผู้ชายผู้ชายใช้เครื่องทุนแรงใช้ไม้ไม้ไปทุบไ ป, ปตีเขาตัวคนขนาดนะัน้นไอ้จกตีได้ยังไง แล้วก็ที่จริงส่วนหนึ่งเนี่ยคือเป็นเรียกว่าไทยมุงอะ่ะทีนี้พอดูก็มาเกิดมันก็อยากจะทําเห็นนหะมวิญญาณสามันเกิดจะกิตใจที่วีญญาสาวคือดูความการประทุษร้ายเบยดเดียนกันในชั้นแรกเราก็ก็กคงไม่คิดถึงจะไปลงมือเองล่ะแต่พอเห็นเพื่อนลงมือแล้วก็มันแต่เพราะว่าความคิดของคนเลน่านี้ที่จริงพวกขี้กราด กลัวคนอื่นจะโต้อตอบทีนี้ปัญหาว่าทําไมครูจูหลิงถึงเจ็บมากกว่าแล้วครูอีกคนหนึ่งก็เจ็บมากกว่าครูครูคนนี้เจ็บมากกว่าในเขาเล่าว่าครูจูหลิงนี่เธอสู้สู้เลยก็พวกนี้มันม น, นิสัยเผด็จการเนะ่ะมันวกว่าเป็นความชอบธรรมดีเขาจะซ้อมไข่ก็ได้แต่ว่าคนอื่นต่อสู้เขานี่เป็นความไม่ชอบธรรมเพราะฉะนั้นทำไม่โกรธ แล้วก็ไปเล่นแรงนั่นคืออะไรคือสัญชาตญาณดิบ ท, ที่มีอยู่ในความเป็นสัตว์ของมนุษย์เนี่ยพอจิตมันตกมันก็กลายเป็นพฤติกรรมแบบสัตว์มนุษย์จริงๆก็คือสัตว์ชนิดนึ่ง เ, เวลาจิตมันตกอยู่กรรมกับมาตฐานนะเราจะเห็นว่ามนุษย์จะแรงกว่าสัตว์แล้วกากรรับควบคุมไม่อยู่ ภาพเบการเมื่อ6ตุลาเนี่ยที่ซ้อมคนตีคนลากลู่ถูกกังกับแขวนค อ, อ, อกับต้นมะขามที่ต้งสนามหลวงโอ้โหมันสลดมากนะเป็นภาพที่สลดถูกมมากเลยบนี้คนทำกับคนกันขนาดนี้ล่ะก็คืออะไรการรู้จักกันหรือเปล่ามีข้อพิพาทอะไรกันไหม เนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันมันมันลักษณะเป็นการผสมทั้งโลภะทั้งโมหะทั้งวิหิงสาก็เ ป, เป็นเรื่องขนาจิตอ แ, แต่แล้วแต่ขนาดจิตแต่เราเห็นชัดเจนว่าเป็นอาการของจิเบ็ทั้งสามกองนะฮะอะไรเกิดตรงไหนก็แต่ก็ก็เป็นเรื่องเฉพาะภายในจิตใจของบุคคลนั้นเพราะพอปัญญามันเกิดมันจะมองอีกอย่างนึงเพราพวกเนี้ยเกิดมาก็ เบียดเบียนตัวเองบ้างเบียดเบีย น, นคนอื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นบ้างเพราะฉะนั้นก็ทุกนี้พอเกิดเนี่ยทําให้ปัญญามันดับเราเห็นโทษอ่ะเห็นโทษโทษทุมยกมัสามประเด็นนะฮะหนึ่งก็คือทําให้ปัญญาบรรดาบสองทำให้เกิดอาการคับแค้นและสามก็คือผลักตนออกจากผ น, นทางไปนิพพาน เขาก็รับสั่งว่าลูกกองพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปหมายความพอพิจารณาเห็นโทษเี่ยมันจะหยุดปัญหาว่ามาเร็วหรือไม่มาเร็วถ้ามาเร็วพฤติกรรมจะไม่ตอ่อเนื่องจะไม่นานแต่ว่า ถ้าสติปัญญาเขาฟื้นมาช้านะมันจะนานพฤติกรรมจะแรงแล้วแรงแล้วเป็นความสูญเสียที่เรานึกดูถึงถึงสภาพจิตของคนที่เกี่ยวกับครูผู้เลี้ยงเนี่ยคือมันรู้สึกสะทกสะท้อนมากกว่ามากกว่าในกรณีของทหารนะเรพราะอะไรเพราะเธอเป็นผู้หญิงก็เด็กๆแล้วตัวก็เล็กด้วยแล้วก็ไม่มีอาวุธอะไรอยู่เลย แล้วก็บุกขึ้นไปจับแต่ก่อนจะจับเนี่ยมันประกาศว่าจับชาวพุทธมาเป็นตัวประกันถ้ามาอ่านความคิดเห็นของกออส อ, อะไรเนี่ยเขาเสนอที่ก็สรุปไว้ในสื่อพิมพ์สยามรัฐทาตามนั้นน่ะมันไม่นึกถึงคนไทยพุทธเลยคือปัญหาใหญ่เนี่ย ปัญหาใหญ่ที่มันเกิดพักไดเนี่ยปัญหาหลักก็คือความไม่เข้าใจการไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่เข้าใจเนี่ยสามสี่เรื่องหลกักเรื่องนึงก็คือตัวภาษานี่เป็นอุปสภาคาครับความรู้สึกว่าแตกต่างกันทางชาติพันธ์ความรู้สึกแตกต่างกันทางภาษาความรู้สึกแตกต่างกันทางาศาสนาแล้วก็เมื่อาศาสนาก็วัฒธรรมก็แตกต่าง ทีนี้ที่ที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเราไปแย่งดินแดนเขาเพราะงั้นเมือม่อเมื่อความรู้สึกอย่างนี้ยังอยู่เนี่ยมันไม่มีทางแก้ได้เราเราก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องคิดสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่ให้เขาหาความเข้าใจซึ่งกันและกันเพรา ะ, ะต้องเรียนสามภาษาเด็กที่นั่นเนี่ยเรียนภาษาไทยเรียนภาษายาวีเรียนภาษาอังกฤษ แล้วก็เรียนศาสนาสองศาสนาเรียนวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมเอวิชาสามัญก็ว่ากันไปแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทั้งสองฝ่ายและในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องพูดว่าจริงๆทางถ้าเอาศาสนาลุ้นล้วนนี่มันเข้ากันได้ระดับสินธัญญาเนี่เข้ากันได้อยู่แล้วเพราะศาสนาทุกศาสนานี่มันเกิดมาเพราะความทุกข์ในโลก ต้องการจะให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยสันติเพียงแต่ว่ามองทุกไกลกระดับไหนมองทุกในรูปความการเบียดเบียนและทุจรายกันในแนวทุกเวทนามันก็มีคำสอนระดับที่แก้ปัญหาทุกเวทนาแต่วิเจ้าท่านมองปัญหาไกลคือว่าความทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดมาจากกิเลสเหลือวิชาตัญหาปฏิานกรรมเพราะงั้นพระยาก็มองไปที่ดับตรน้น แต่าังลืมมรรการอยู่ร่วมกันเนี่ยพวกนี้มันต้องลดอยู่แล้วบวกการวิจกกรดีพยาบาทวิตกกรดีวิงสาวิตกกรดีต้องลดอยู่แล้ว ว, วิจกเห ล, ล่านี้ภาษาอื่นจะเรียกว่ายังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นสภาวธรรมที่มันมีอย่างนั้นเองเกิดขึ้นกระจายคนศาสนานับถือศาสนาอะไรก็ไม่รู้มันก็ออกมาแบบเดียวกันเพรา ะ, ะนั้นปัญญามันจะเกิด พอปัญญาเกิดแล้วพวนี้มันจะดับดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสแสดงว่าปัญญายีวียีวีธมรหุเสทั้งชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสถียดแต่ว่าสําคัญเราทํำยังไงเราจะให้ปัญญามันเกิดต่อเนื่องมาได้ถึงแน่นอนแนวพวกนี้เขาเรียกว่าแนวภาวนาคือทําให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นเพราะจริงๆเนี่ย มันก็หมายความมาเช่เช่นเราต้องการกรจัดความมืดเนี่ยเราไม่ไปทำอะไรกับความมืดเราเราก็จุดไฟขึ้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากไฟเนี่ยมันจะทำหน้าที่กรจัดความมืดได้เองเป็นกิเลสเองก็มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้วความในภาคปฏิบัติเนี่ยคุณก็ใช้ความไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสร้อ น, นแล้วก็มีความมุ่งมัน่นที่ท่านส่งใช้คาว่ามีตนส่งไป มีความมุ่งมัน่นซึ่งก็เป็นกระบวนการของอิธิบาตเดีย๋ยวเราพูดไว้ในวันก่อนนะฮะอธิบาทชุดเนี้ยส่งส่งใช้ถึงห้าคำมีข้อสุดท้ายเรียกว่าความขคมคคักขมันหมายความความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องพรจริงอจังไม่หวาดหวัาาน่นพ่ันพึงกับปัญหาต่อภาษา อ, อันตรายต่างๆ แ, แล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะช่วยให สามารถสลัดความเครือข่ายสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจจิกขาตลอดถึงเครื่องปุงพันใจท่าห้าประการเพราะตรงนี้จริงๆก็คือลักษณะเดียวกันหมายความทรงสดแสดงนิโรธไม่ใช่ท ร, ท, ร ท, รทรงส่งส่งแสดงสมุทัยก็คือพวกอคติส่วนพิจตุสามนี่จริงก็คือสมุทัยแล้วก็มาร์กเนี่ยมันเริ่มในปัญญาตัวนี้ก็ต้งใช้ปัญญาเขาเดียว ปัญญาก็เกิดพิจารณาปัญญาเห็นโทษเพราะว่าผู้นี้เกิดเนี่ยปัญญาจะดับพอเมื่อปัญญาเกิดผู้นี้ก็จะดับเขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ธรรมคือสิ่งที่เป็นจัตูต่อกันเขาไม่มีลักษณะร่วมดังนั้นในช่วงต่อไปผู้จ้า ก, ก็ส่งแสดงว่า เมื่อตัวการพิสุจน์ตงหลายเรานั้นแลละเสียบรรเทาเสียซึ่งวิตกทั้งสามหรือซึ่งการวิตกพยาบาทวิตกพาาิจิาวิตกจนถึงจุดหนึ่งก็ทำให้หมดไปแต่ว่าการหมดไปเนี่ยจริงๆก็หมดไปตอนที่ยศสรุสวัคยานได้บรรลุอสวัคยาน แต่ข้อที่เราไม่คนลืมก็คือว่าพระโพธิสัตว์ก่อนทิฏศิสัต์รู้เนี่ยได้เคยมีความจำนิชานานเรื่องสมาบัติแปดประการมาแล้วเพราะในสมาบัติแปดเนี่ยดยพลังของรูปประชาญเนี่ยมันสยบกิเลสประเภทรุ่มรุมใจไว้ทั้งหมดนะเพราะพระไทรของโรง์ก็เรียกว่าใช้งานได้อะเป็นเป็นกรรมนิยะกที่ใช้งานได้เลย อย่างที่รับสั่งแสดงว่าลูกกคนวิสูทั้งหลายเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสราจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้แล้วความรู้ก็เกิดผุดขึ้นภายในปัะไทยของโรงทีนี้พอมาถึงพวกอาสวักยานพอถึงอาสวักยานก็ทำลายากยิเลสที่มีชื่อต่างๆตอนนี้ก็เรียกว่ากา ร, ริจกพยาบาทวิจกวิญสาวิจก แปลว่าก็ต่างกันกนะฮะต่างกันหน่อยหนึ่งในอนรูปชนกบฏเนี่ยเรียกว่ามิจฉาทิฐิข้อที่สามนี่เรียกมิจฉาทิฐิหรือเป็นความเห็นที่ผิดแล้วถ้ายิ่งยิ่งสาเหตุต ก, กมันก็มิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดความผิดเบียดเบียนบุคคลอื่นเนี่ยเราก็ถูกเผารนด้วยกิเลสแล้วยังไม่ต้องถึงกับเบียดเบียนหรอกจิตใจมันก็ถูกเผาให้เกิดความร้อนร้อนด้วยแรงของกิเลสแล้ว เพราะงั้นการปฏิบัติเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันรูปแบบไม่จําเป็นจะต้องมีมากนักก็ได้เพราะว่าเราก็สามารถทําได้ทุกคนเองหรือทําที่ใจของเร า, เ, าเราอ้างนั่งไปในรถกิเลสมันเกิดเราก็มองให้มันเห็นโทษแล้วก็ดับมันในนั้นนั่งในรถก็ได้ก่อนจะนอนก็ได้อะไรก็ได้ยังมีสติอยู่มีสติกํากับจิตอยู่ แล้วก็สามารถที่จะบรรเทากิเลสบรรเทาพวกกุตกทั้งหลายลงไปได้ตามกำลังของกุศ ล, ลธรรมที่เราให้บังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรือนใจเป็นหลักใจเราอยู่ในขณะนั้นนั้นทานังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี